อรหัตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภคตอรหตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภคตอรหตสัมมาสัมพุทธัสสะอะะหวปัญจคันธาตติ ในโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาในภาระของขันห้าตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเพื่อเป็นการสดสง่งองค์อุทาบามีที่บรรดาธนิสราฐานะบดีทั้งหลายตั้งใจมาบำเพ็ญกุศลวันออกบรรษาวันนี้ ก็คิดในถึงว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัทจะมามากขนาดนี้เวลานี้ที่ว่างในสลาพรทธิ์มไม่มีเต็มไปหมดแสดงว่ามากันหลายจังหวัดพระบรรดาท่านพุทธบริษัทตั้งใจมาบำเป็นกุศลทุกคนก็เลยตั้งใจคิดว่าต่อ น, นี้ไปเราจะไม่มีทุกทุกคนหวังหาความสุขพระบรรดาท่านพุทธบริษัท ถ้าเราต้องการความสุข ก, ก็ต้องเข้าใจในขันห้าเพราะว่าอาการหนักของเราที่มีความทุกข์ที่สุดก็ ค, ค, คือขันห้าในแก่ร่างกายความป่วยไข้ามาสบายจะมีขึ้นเพราะอาศัยร่างกายเป็นเหตุถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็ไม่ป่วยการไข้ข่องในชีวิตความเป็นอยู่เกิขึ้นเพราะอาศัยร่างกายเป็นเหตุ ความแก่จะมีขึ้นเพราะสายร่างกายเป็นเหตุเพราะเรามีร่างกายความตายจะมีขึ้นเพราะสายร่างกายเป็นเหตุเสนาองาาค์สมเด็จพระรัมยโลกกัลเชชินกล่าวว่าภาระวีปัญจคันธาหันทั้งหาห้าเป็นภาระอันนะักการที่บรรดาโตผู้ตวิสัตย์ทั้งหลายจะพ้นขันห้าได้ก็ต้องหนึ่งทางการให้การให้ทานไว้เป็นปกติ จะเป็นปัจจัยมันดาท่านผู้รษัทบริษัทพ้นขันห้าได้ในสัปดาหัปหนึ่งข้างหน้าถ้าทานเป็นปัจจัยตัดโลภะความโลภเป็นรากเหง้าของกิเลสการให้ทานทองคนทุกคนทานเป็นปัจจัยเกิดทรัพย์สมบัติถ้าเราเอยเอิญไมเอเอิญไม่หมกิเลสในชาตินี้ชาติหน้าเราไปเกิดใหม่เราก็มีทรัพย์สมบัติมาก การให้ทานมีผลไม่เสมอกันเป็นเพราะอย่างยิ่งการให้ทานกับคนที่ไม่มีศีลให้ทานมากแต่มีผลน้อยนิดเดียวบาทหนึ่งจะมีราคาไม่ถึงหมื่นสตางค์อิสงส์ที่เพได้ให้ทานแก่คนที่มีศีลบริสุทธิ์มีจะมีอิสงศ์มากบาทหนึ่งจะมีอิสงศ์ได้สิบบาท ถ้าให้ทานแกพระอริยเจ้าตามบาทขึ้นไปให้ทานหนึ่งบาทก็จะมีผลเด็แสนเท่าถ้าบรรดาท่านพุทธวิสัตถ์หลายถาวายสังฆทานจะมีผลนับล้านเท่าตามที่บรรดาท่านพุทธริษัตรม น, นี้เป็นสังฆทานอาหารของท่านทั้งหมดก็เป็นสังฆทานของที่นามาเพื่อเป็นสังฆทานก็เป็นสังฆทานปันนปจจัยทุกสตังที่ถาวายเข้ามาแตมาจัดเป็นสังฆทานหมด เขต้องการนาาบรรดาญาติโยมผู้ใดสัตทุกคนที่เป็นสาวกพระโภคองทั้งเด็จพระบรมสุคตไม่ต้องการให้ใครยากจนในเพืงอนนาทุกคนนั้นมากว่าอยจะยังไม่ไปในพานเพียงใดแต่เกิดชาติใดก็ดีถ้ามันยังรวยอยู่ก็ยังมีความสุขพอทังควรได้ใช้ทานการให้ทั้งสองวิการมีการจะให้ทานได้เพราะใช้คุณธรรมสองอย่าง เหนึ่งเมตตาความรักสองต้นนายความสงสารเมตตาความรักค้นนายความสงสารสองตัวที่เกิดขึ้นใน ใ, นใจก็เป็นปัจจัยให้เกิดสินขึ้นมาใน ใ, น ใ, นใจเองการเป็นบาสินจะปรากฏขึ้นในเมื่อท่านมีสิลแล้วไอสองของศินก็ชี้เลนะสุนติยันติสิลเป็นปใจใัจจัยเกิดความสุขต้นชาตินี้ได้ชาตินาชี้เลยะโภกับสมถา คนที่มีสินชาตินี้ก็ไม่หนักใจเรืทรัพย์สมบัติชาติหน้าจะรวยใหญ่ชี้เลยนี่ต้องิงยันติสิลงนี้เป็นมาใจเข้าธรรมวิปปานโดยง่ายในเมื่อทุกคนมีสินผ้าใสามีเมตตาอุาญความรักทุสมและการจิตใจก็เยือกเย็นสมาธิก็เกิดในเมื่อสมาธิกเกิดปัญญาก็เกิดเคยรู้จักขันห้าว่าขันห้ามีสภาพไปเที่ยงมันเป็นทุกขเวนัตา มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความสุ่มท่ามกลามีการสลายตัวเป็นอดุดก็เรียกว่าทุกคนตายหมดตอนนี้วันนธธีอาตมาขอแยกเทศเรื่องพิเศษสักเรื่องหนึ่งให้เดี๋บรรดาทรรมพูทบริษัททราบเพราะการฟังเทศวันนี้อาจารมาภาพก็ไม่แน่ใจว่าบรรดาทรรมพุทบริษัทจะได้ยินฟังเทศอาจารมาต่อไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบ ทั้งนี้เพราะอะไรรู้ว่าเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยยีิบสามปีนั้นต้องตายไปประมาณสองสามชั่วโมงแต่ความจริงอายุขย น, นากรรมเองมีแค่ยี่สิเจ็ดปีตอนมันมันสมัยพ่อปานอยู่เขาเชิญ ม, มุนน์พระสรีอานไปที่วัดบ้รงโคพระสรีอานนี่เขาต้องยกขึ้นไคน ตอนดึกปีสองพ่ะปาท่ามนมานั่งดูหน้าวระสิอ่านให้อาจารยจะเชิดจะเป็นลูกศิษย์ไอ้นี่มนมาเรียกธรมาจากที่นอนพอดีเป็นเวลาจะมาตืนะา่นพระพุทเจ้ากรรมฐานก็งลงมาหาท่านมีท่านองค์เดียวนั่งอยู่ท่านก็บอกว่าเอางี้ก็แล้วกันนะมี่ฉันเรียกเธอวันนี้ทศใหญ่เธ อ, อ เ, เธอรู้ว่าเธอจะตายเมื่อปีไหน ก็ลองยกข้อสอ่านดูยกไปปีที่หนึ่งปีที่สองปีที่สามปีที่สี่ปีที่ห้ามันก็ยกไม่ขึ้นพอยกขึ้ปีที่เจ็มาถึงยี่สี่เจ็ดปียกขึ้นเบามากท่านบอกว่าอายุไขของแกมีแค่ยุ7เจ็ดปีคอยต่ อ, อยุเสีย <c oughs> อัตมาเวลามันเดินกรฐานทรงชาน สมาลุปัสนายานันย์อ่อนอยู่แต่ชาหนักแน่นมากโรยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องพมเป็นที่อยู่ของเราทุกวันเมื่อ เ, เวลาจะนอนตั้งยาี่สันจิตเสร็จก็ ข, ขึ้นไปนอนบนพรมเมื่อเวลาก็ลงมาก็คิดว่าถ้าเกิดเป็นสมได้ไปที่หัวใจของเราแล้วเราไม่ตกนรกเอก็บอกกัทธบอกว่าผมไม่ตก ถ้าพุทธตายยี่สิบเจ็ดปีพุทธชอบใจมากเพราะการเป็นมนุษย์มันหนักมากมีภาระหนักา ก, ก็บอกว่าคนจะอยู่ต่อไปอห้อยต่ออายุอาตมา ก, ก็ไม่ต่อแต่ว่าในฐานะที่อาจารย์ย่อมมีความสามารถมีความรู้ดีความรู้สึกจะมีสาระความฉลาดกว่าวันรุ่งขึ้นอีกสองวันท่านไปซื้อปลามา ละมังใหญ่หลายสิบตัวแล้วให้พระเบตาแต่มามาวันนี้แกว่างๆช่วยปลาตะเภาล้างทีวะพอกลาตะเภที่มันน้ําเสร็จกับอาหาท่านกับกราบท่านถ้านบอกว่าข้าต่ออยู่แกแล้วเขี้อ้าอาจารย์นี่อาจารย์ที่โงโร่รู้สิท่านไม่มีอะอาจที่โงโ่งแกล้ทงทำโงโ่ก็ไป็นาะว่หลวงพ่อครับผมจะอยู่ได้กี่ปี ก็บอกแกก็อยู่ไปยังกว่าจะตายอะไกันหลังตอมัน่นนานกว่าสิบปีอาการก็เครียดอายุยี่สิเจปีแม้หลังจะนั้นอาการก็เครียดเกิดขึ้นมาจะตายตอนนี้หลวงพ่อปานท่านตายไปแล้วทาไมต่อพระพุทธเจ้ามาต่อถ้าไม่ให้ต่ออายุบอกผมไม่ต่อ ถ้าผมมีความรู้แค่นี้มีความสามารถแค่นี้ผมก็อยู่ผรมได้การเป็นพรมดีกว่าวามเป็นคนท่ากนก็เลยบอกว่าถ้าแกไม่ต่อใช้ก็ต่อต่านจะต่อให้ต่อให้มาทีศะสิบขวบลสิบปีต่อมาข้างหลังที่สุดต่อให้ถึงอายุค่ปีสองพันห้ารยี่ิบห้า ไปตั้งพัน2องรเนี่ยสองนร้อยยี่สเนี่ยเป็นว่าหมดกันก็บอกก็ท่านบาขอตอบเพียงเท่านี้นะครับผมแก่มากแล้วร่ำ <c oughs> บากมามากแล้วตอนนี้ผมไม่หยุดผมแล้วถ้าผมตายผมก็ไปมิพานท่านาก็บอกไม่เป็นไรพอมาถึงปีพศสอ2พั้าร้อย เวลานั้นท่านก็ทำให้ตายไปสองสาชั่วโมงอาการตายของนั้นแปลก <c oughs> ไม่มีโรคว่าตอนเช้าจูปติชั้นสองจึงเ้มาแล้ล้านหน้าเสร็จกระดิบเอกสารถ้าเราทำงานลงมาที่ตึกอินทพงศ์หวังจะทำงานมาชั้นเช้าเสร็จพอวางเอกสารเสร็จมัก็อยากเข้าห้องสวม เม่อยาข้าวฟองสวดก็มานั่งในส่วงเพราะนั่งปั๊บมันไม่ขี้มันไม่เยี่ยวมันมึดไปทั้งหมดไม่ใช่หน้ามึดอย่างเดียวมดทั้งหมดแต่ไม่ทํามือยกขึ้นก็บอกไม่เห็นมือแต่ว่าจิตใจเป็นสุขก็มีความคิดว่าอาการอย่างนี้เป็นคุณประชนการของความตายถ้าตายเวลานี้เราไม่เรียกแตกอะไรจิตใจเป็นสุขแก็ไปนิพพาน นั่งอยู่นานสักครู่หนึ่งยกมือขึ้นมาดูก็ามองไม่เห็นมือก็คิดในใจว่าในโลกนี้ที่พระท่านพระเจ้าวัดมาแล้วก็ไม่เคยมีพระหันุมไหนท้านมีพานมันโธส้วมถ้าเราตายบรรโธส้มมจะเก่งกว่าราันทั้งหมดถ้าหันทั้งหลายจะหมดวาสนาบารมีใช่ไหมตายบรรโธขี้หมาญาตอกานะถ่ายรูกปกันขายรูปแม่สตางกัเยอะเลย แล้วก็มันนึกใปใจว่าหุูสิสย์ูกหาแล้วก็มีมาก <c oughs> ถ้าเราทราบว่าอาจารย์ตายเป็นโถส้วม <c oughs> ก็จะเป็นใครที่หน้าชาวบ้านเขาเลยลุกจากโถส้วมมันมองไม่เห็นเลยเอามือคลำข้างฝาคลำราวผ้าออกมาออกาว่าหน้าประตูไปถึงหน้าประตูห้องบันทึกเสียงมันมีพรมอยู่ก็เอ็นกายลงตรงนั้นก็เอ็นกายลงไปแล้วไอ้จิตมันก็ออกไปจากร่าง ก็ไปติดกิู่แค่จุฬามมีจีรีสถานในบริเวณนั้นทั้งหมดสวรรค์ท่านเอาเรื่องทั้งหมดเต็มทั้งเท ว, วดานางฟ้าพรมแล้วก็รหันเต็มหมดทะลุไปนิพพานไม่ได้หาทางไปไม่ได้เ็าไปเห็นพระพุทธเจ้าขเขาเข้าไปกราบท่านท่านก็ถามว่าจะไปไหนบอกว่าจะไปนิพพานครับ ท่าบอกว่าฉันให้แกตายปีพศสองพันห้ารอยี่สิบห้าอันนี้มันปีพศสองพันห้าร้ยี่สิบสาไม่แก่ตายไม่ได้ก็บอกว่าถ้ า, าตายได้หรือไม่ได้ลง ม, มาแล้วจะไปแล้วก็เลยบอกอันนี้ก็แล้วกันนะคุยอยู่พักหนึ่งกลับลงไปก่อนฉัญญาเดิมมีสองพันห้ารอยี่สิบห้าถ้าฉันปล่อยให้เธออยู่ถึงยุสองพันห้าร้ย่ิบ้าฉันาเธอไว้ไม่ได้ ฉันปีนี้ปีพอศรรีหาร้อิบสามฉันก็ต้องทำให้เธอตายไปชั่วคราวก่อนให้เธวเป็นการเกิดใหม่พระพรหมใหม่แต่ เ, าเราก็ยังไม่กลับท่านก็นมาด้วยก็ต้องมาแนเมื่อพระเจ้านำต้องมา <c oughs> มาลริ่เข้าในร่างกายกค่อยๆเริมตาขึ้นมันยังมือดอยู่ก็หลับตาต่อไปอีกสักครู่หนึ่งเริมตาขึ้นค่อยสว่าง เขาบอว่าคิดว่าวันเกิดใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะฉันต่อให้อีกสิบปีก็ไ็่ร่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายในการต่อ 2,523 ปีนี้ 2,534 ครบสิบปีพอดีการครบสิบปีพอดีนี่จะต่อจะต่อให้ต่ไม่ให้จะไม่ทราบ แต่ว่าการป่วยบรรดาญาโยมพุทธบริษัทอาตมาไม่คิดว่าวันนี้จะมีโอกาสมานั่งพูดกับญาโยมได้ตั้งแต่เข้าวรรษามามันมีการป่วยเครียดหนักโดยเพราะอย่างยิ่งเดือนตุลาคมเมื่อท่านต่อแล้วต่อให้วันที่ยี่สิบสามตุลาคมสองพันห้าร้อยสามสิบสามท่าทวันที่สิบแปดวันที่สิปดตุลาคมก็วันนันลสามิบสาม ตั้งแตเดือนตุลาคมมาเนี่ป่วยหนักมากหนักเกินกว่าที่คิดว่าจะอยู่ได้ถึงขั้นขึ้นเวลาพระพุทธเจ้าสามครั้งเวลาขออยู่ตรงนี้นมขันห้าไปอย่างนี้ทนไม่ไหวอ้การแรกอันหนักที่สุดคือหนึ่งถ่ายไม่ออก oh. มันมือจาระกอดใหญ่ขวาลำไส้อยู่มันแข็งมากถ่ายไม่ออก แล้วต่อมาก็เป็นโรคความดันสูงต่อมาก็น้ําท่วมปอดแล้วก็หัวใจวิกิตหัวใจไม่ปกตปิ <c oughs> นอกจากนั้นอาการอาเจียภายในก็มีมากเจกลื่นน้ำไหลก็เจ็บมันเจ็บตั้งแต่คอไปถึงลำไส้เกลื่นน้ําก็เจ็บอันนี้กินข้าวไม่ได้ไมาจริงๆเดินเสีดแล้วนะ ไปการขับถ่ายเราแสนยากไม่ได้สวนมันก็ไม่ขยะออกแล้วไปการบังเอิญอย่างยิ่งเมื่อวานซือ น, นี้มังเอิญถ่ายได้นั้วานนี้ก็ถ่ายได้และการขับถ่ายมีขึ้นมาขึ้นกับการก็โปร่งขึ้นวันนี้จะมีโอกาสว่าคุยกับบรรดาญาโยมบริษัทได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่สําคัญที่สุดเดืนตุลาคม คือวันที่สิบสามเดือนตุลาคมเมื่อวันที่สิบสองคออยู่ดีๆมันเป็นหัวเล็กๆขึ้นมาเต็มคอแล้วก็ไปรู้จักสายยังไงพอับที่หมอเขาสนใจมากหฉพาะธรรมเนี่ยหมอที่โรงพยาบาล น, นี้ก็ดีหมอที่มรุงเทพก็ดีติดต่อกันอยู่เสมอทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างฝ่ายต่างติดต่อกัน เ้มอเขาทำคอยเช็คแล้วรายงานหัวทงเทสสพทราบแคนัน้นไงวาหมอก็ทําก็มาเช็คสองสามวันก็เช็คครัเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ใช้เครื่องตัวเครื่องตรว่งหั ว, ว, ว, วใจก็มีท่านก็ทำงานทุกอย่างด้วยไม่ไม่ไม่ถ ไ, ไ, ไ, ไม่เห็นเป็ความหนือยอยากแต่การป่วยไข้มาสบายสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดมันไม่ปรากฏหมอหาไม่พบ ถ้าอาตมาทราบว่าโซนที่ไล่แดงจีนมันอยู่ที่ไหนหนึ่งเรื่องหัวใจไม่ผิดปกติอั น, นี้มันก็เป็นอาการของความตายอาการที่สองน้ําท่วมปอดก็เป็นอาการของความตายอาการที่สามความดันสูงเกินไปอันนี้ก็เป็นอากาของความตายอาการที่สีอักเสบทั้งตัวทั้งภายใทั้งหมดกินอะไรไม่ได้นี่มาเรื่อ ง, องความตายทั้งหมด <c oughs> ในเมื่อความตายมันลงเข้ามาก็าคิดว่าวันนี้ก็เดือนนี้เป็นเดือนที่เราหมดสัญญากัรพึ่งเจ้าอาจจะตายเดือนนี้แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่สิบสองนี้เมื่อเมื่อคอเป็นเม็ดก็ใช้ยา ก, กวาดเป็นเคยยุบไม่ไ ม, ไม่ไม่ยอมยุบก็รุ่งขึ้นให้หมอตรวจหมอตัวบอกคอแดงทั้งลำคอเลยครับตอนนี้พอถึงตกกลางคืนไอ้ตัวแดงหายไปไกลายเป็นแผล แผลเต็มลำคอปืนน้ำไข่น้ำลายก็เจ็บคืนน้ำก็เจ็บมันมีอาการเจ็บหนักมากที่สุดในชีวิตที่ไม่เคยปรากฏมามันเจ็บตั้งแต่สองทุ่มถึงห้าทุ่มจนน้ำตาร่วงคำยิงน้ำตาทํามันออกยากใครจตายสักกี่ร้อยคนนั้นไม่เคยไม่เคยน้าตาร่วงแล้วทุองการพัฒนาใดๆเกิดขึ้นมาไม่เคยน้ำตาร่วงนั่นมันร่วง่างน้ําตามันไหลเอง พอถึงห้าทุ่มก็ตัดสินใจคิดว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ทุกเวทนาหมดหมดถึงขนาดนี้แล้วเราก็ไม่ควรจะอยู่นี่กนเการหนึ่งก็เป็นวาระที่สิ้นสุดการสัญญาไว้เ <c oughs> ดือนเดนเดนตุลาคมก็ออกจากร่างกายขึ้นไปตั้งใจจะไปนิพพานก็ไปไปที่เควสภาก่อนไปหาโยม ธรรมดาท่านพมมีคุณทุกขัานขึ้นไปต้องเข้าไปที่นั่นว่ามีเรวดานางฟ้าพรมเต็มหมดก็ไปขอลาท่านบอกไอ้ร่างกายมันมีทุกขเวทนาหนักจะวนต่อไปไม่ได้โยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอินท์นึงบอกว่าคุณอย่าเพิ่งไปนิพพานเลยคุณไปแวะที่จุลามมนี ก, ก่อนความจริงท่านรู้เรื่องอาตมาไม่รู้ เลยเข้าไปที่จุลามณีอืพอเข้าไปที่จุฬามณีบอกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นมีเจ้าพระพราห์หันเต็มจุลามณีเต็มไปหมดเข้าไปกี่ครั้งข้าไม่เคยพระหันมากแบบนั้นแสดงว่าพระหันมาหมดเมื่อเข้าไปเข้าประตูจุลามณีเลยพระโมคคัลลาทางล้านตุกข์บอกว่าเฮ้ยประตูนิพานยังไม่เปิดเวยยังไปไม่ได้มีองค์เดียรพูด ถ้านะ่างนั้นเพราะว่าพระพุทธลาท่านเคยเป็นทั้งพ่อและทั้งพี่มาก่อนโดยเฉพาะอย่า <c oughs> งยิ่งการเรีนกรรมฐานตอนหลังนี้ท่านก็นมาสอนพระที่มาสอนแทนพระอาจารย์สี่องค์ในตอนแรกพระอาจาลงมาสอนเองก่อ น, แ ล, อนอแล้วต่อมาเขามอบภาระให้อาจารย์สี่องค์สอนแตหนึ่งด้านปัญญาเป็นหน้าที่พระวิสัยโยตมาสอนด้านปริพันธ์ เป็นหน้าที่ของพมหาเจ้าธรรมาสอ น, น, นด้านด้านอภิญญาก็เป็นหน้าที่ของพระบุคลามาสอนด้านทีพิฆยยายนเป็นหน้าที่พระอนุรักษ์มาสอนรวมความใหญ่ใจสี่องค์มาสอนสอนก่อนที่จะตัดโราที่จรทำเ <c oughs> มืเ่อการสอนจบทั้งหกทั้งสามสี่องค์มาสอนหนึ่งเดือน และหลังจากนั้นไปก็เป็นหน้าที่พระเจ้าโดยตรหลังจากนั้นไปพระเจ้าก็ทรงรับรองผล่องการปฏิบัติก็มีสัญญาต่อกันมาทีนั้นไม่เข้าไปหาพระเจ้าในช่วไปหาพระเจ้าก็บอกว่าขอลาเพราะเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่สิ้นสุดการสัญญาแล้วเรื่องขันหา้าจะมีวความทุกข์งานทุกอย่างที่องค์มอบให้ทำทุกอย่างทุกเวทนา ร่างกายก็เจ็บร่างกายก็ป่วยไม่ไี้เจ็บจะป่วยกันวันไหนก็ตามที่เวลาสอนก็มันถ่ายก็ไปสอนยังซอยสายลมหนักมากไปซอยสายลมทีกลับมารวังลงตัวถึงเจ็ดวันไม่พอยังไม่ฟื้นก็ทนทําทำด้วยความเต็มใจแต่ถ้าว่าในเมื่อละขันข้ามันหนักแบบนี้ก็ไม่ขออยู่ซึ่ก็บอกว่าเอามอีก็แล้วกันนะ มันเจ็บมากไหมก็บอกเขาบอกว่าดูคอจริงคอมันเป็นแผลทั้งคออืจะกึืนน้าก็ไม่ได้จะขึ้นน้ำลายก็ไม่ได้ไม่เมื่อขึ้นน้าไม่ได้กึ้นน้ำลายมันได้อาหารจะขึ้นได้ยังไงเขาก็เรียกพันจามาดีลมมาพอสองดีลมไปดูหน่อยสิพอสองดีลมอะทาให้ทั้งสามครั้งแล้วท่านก็ลมมาพักหนึ่งท่านก็กลับขึ้นไป ถ้าบอกเรียบร้อยแล้วครับกลับลงไปได้พระเจ้าก็ะซงสั่งให้กลับอาตม า, ก, าก็ไม่กลับคิดว่าการมาครั้นี้ไม่ขอกลับแต่ท่านบอกว่าประตูมิพานไม่เปิดเพื่อเธอก็ถามพรมก็พรมชั้นไหนมีที่ว่างมั่งพรมทุกชั้นบอกที่ว่างสาหรับท่านไม่มีคนอื่นมี ถามเธวดาวนางฟ้าถาว่าเทดานางสวรรค์ท่านไหนไม่ขี้ว่างมัง่งบอสวรรค์ที่ว่างท่านท่านไม่มีที่ว่างแล้ท่านมีที่เดียวคือนิพพานไปไม่ได้ก็ห้ามอยู่ในเมื่อมันไม่มีที่อยู่ก็ต้องลงมาพราะพุทธเจ้ามาด้วยมาถึงปลายก็ให้แผลใ้คอมันหายไปถ้านสมบรูรณพรหมทําให้หายไปหลังจากนั้นบรรดาแต่พุทธวิสัชทุกเวทนาเมก็มาก แต่ว่าถ้าญาโยนจะถามพระวัดนี้ว่าจะมาไปยังไงบ้างท่านไม่รู้ท่านนี่เพราะอะไรว่าจะมาไม่บอกให้พระทราบเพื่อพระทุกองค์มีงานประจำนี่เป็การหนึ่งถ้าเป็นจะไปนอนเฝ้าไข่เอ้ไข่ประเภทนี้มนไม่เหมาะกับ น, นอนเฝ้าถ้าครัวนั้นบอกว่าให้บอกให้พระมันนอนเฝ้าดีไหมเราเป็นเพื่นอนก็อย่าบอกเลย ที่รู้กันบางยก็เอาคืนพระครูอนันต์พระครูโอท่านน้อยสบายบัญชบรญชาประททศไปงานประเทศนอนเฝ้าทั้งคืนนนเฝ้ามานานแล้วเล่า น, นั่นไม่ได้บอกให้ทราบแต่ก็ไม่รู้ในความจริงในเมืม่อกลับลัมาแล้วทีนี้มันก็อาการก็เครียดก็ ค, คิดว่าถ้าอาการขับถ่ายไม่มีขึ้นมันอักสระนี่ก็ลงไม่ได้เช่นการฟังคําพูดวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัท อาจจะถือว่าเป็นการฟังคาพูดเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้นะไม่แน่นอนนักทั้งนี้พเพราะอะไรก็ถ้าพระพุทเจ้าไม่ต่อให้อีกก็อยู่ไม่ได้ต้องไปแต่มีเรื่องเหตุว่าอันดับแรกท่านบอกให้หมดอายุเมื่อให้ตายได้เมื่ออายุ 2,525 แต่ว่าท่านมาต่อให้เมื่อรอ 2,523 ถ้าถูดผพศาะ 2,523 สิบปีเป็นยีิหกสิบปี หา ว, ว่าท่านผีอพอสอนพระพันทรายดีผ้าก็ต้องอยู่ไปสองปีการชีวิตการเป็นอยู่นี่ก็ไม่ใช่นาเทียมมาจะอยู่ได้หรือไม่ได้ถ้าเบื่อบนไม่ให้ไปก็ไปไม่ได้ซึ่งสมาด็จพระพุทธยอดสัญญาท่านคงทราบ ว, ว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงทุกคนเกิดมาต้องตายดังวิชาความรู้ต่างๆ เพือ่อนดาญาเยิ้มเพือ่อไปสัตยทิพย์พระเจ้าหมอกให้ก็บอกให้ทุกคนแล้วทุกอย่างไม่มีอะไรปิดบงังสอนให้ทุกอย่างเพื่อนิพานเมื่อใครจะไปได้หรือไม่ได้เป็นหน้าที่ของแต่ละ บ, บคุคคลที่พระเจ้าตรันว่าอัตตาเหตุตนนโถวตนยังเป็นที่พึ่งของตนถ้าเราไม่รักษาความดีคือหนึ่งทางการให้สองสิ่งการรักษา สามปัญญาการพิจาณาค้นท่ายอมรับความเป็นจริงถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้ทุกคนก็จะหาความสุขไม่ได้เนี่ยมันตายไปแล้วถ้าทุกคนรู้จักให้าทานทยังไม่ปานิพันธ์ปานิพานเพียงใดที่ชาติดีเกิดมันก็จะไ ม, ไม่มีความยากจนถ้าทุกคนรู้จักรักษาศีลก็จะมีแต่ความสุขถ้าทุกคนรู้จักใช้ปัญญาก็จะสามารถปานิพานได้โดยเร็ว นี่หลายหลาสามนาทีหลังจากทําบุญวันนี้ไปแต่ช้านี้แล้วนะอาตมาจะไปบงวงสรวงที่หอร1อยเมร็รวันนี้เป็นวันข้อรอห้าที่สามนะเขาจะถวายระพรมรถพวงกุ ร, ร, รอห้ากันอาตมาจะไปบงวงสรวงแล้วก็จะเจอมรถพราะบางเอ่นไอ้คนนี้มันจะตาย คนไม่จะตายดิมมคนก็ให้เพราะว่าสุบชัยทัวร์มีโฮลดมีหังหน้าท า, ายรถงาใหม่หนึ่งคันเป็นรถนอนนั่งได้นอนได้ขี่ได้อาบน้ำได้เยียวได้เสร็จตาไม่ได้ดมถ้ามีส่วมด้วยมีห้องนอนเสร็จเป็นรถทัวร์ขนากลางก็จะไปเจอรถทัวร์แล้วก็เจอรถหลายหลคันที่มันนะประเดี๋ยวถาย่ยกให้บริษัท ถ้าทุกคนถ้าไม่อหิวข้าวนะหลังจากพระให้พรเสร็จก็ไปที่หันร้อยเมตรจะไปทําไมที่นั่นถ้าใครไม่อยากเสียชะตันก็อย่าไปที่นั่นนะใช่ไหมพอมาโบวสวงแล้วก็จะตั้งขันไว้ใครอยากเสียชะตันก็ตั้งไว้ใส่ในขันถาวายกับพระที่จะสวดตอนใกล้เพลิแล้วถาวายเพลิพระ ก็เปน็นการถวายพระเจ้าคุณตั้งใจราการที่ห้าจะว่าทำไมเองนี้ก็ไม่แน่นอนนะักกตามฟังฟังแล้วจำพอดีนะว่าการฟังเขาพูดคำพูดวันนี้จะได้ฟังต่อไปจะไหมอันนี้ไม่แน่นอนนะก็ดูการสิ้นเดือนตุลาก่อนถ้าสิ้นเดือนตุลานี้ไม่ตายก็ไปรอพอศตวรรท่ห้าร้อยทศวรร่ส่ทศวที่ห้าทรห ฉันรู้อปีหนึ่ง9 <c oughs> ปีพอ2556ไม่ตายอีแต้มนี้ก็อยู่หลายปีเมื่อการขึ้นไปหาพระเจ้าข้าท่านท่านบอกว่าเคยยำไปไม่ได้เคยจาได้ไหมว่าฉันให้ตายปีไหนให้ก็ไม่กบหนดปีให้แต่ข้าท่ทไปก่อนแล้วนะแต่ว่าในเมื่อร่างกายไปอย่างนี้เราจะเชื่อว่าชีวิตจะอยู่นานนี่มันไม่แน่นอนนักที่พระเจ้าทูลถามพระนรวาณันทะดูหัอานน อนันเธอคิดถึงความตายวันกี่ครั้งถ้าอนันต่บอกว่าข้าพเจ้าคถึงความตายวันละประมาณเจ็ดครั้งถ้าบอกว่าอนันธาดยกว่าอนันต์น้อยเกินไปมีความตายเราต้องคิดไว้เสมอนี่ต่อที่ไปของบรรดาท่านผระโดยสาทั้งหลายทุกคนที่มาบริวารสมเด็จวันนี้ก็ขอใทุกท่านมีเกีติความสักดิ์สิทธิ์พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล พระจงเจริญรุ่ยจตุรพิทภรชัยทั้งสีประการมีอายุวันนาสุขาพรละปฏิพันธ์หาปรัฒนาสิ่งใดขอได้ฉงนั้นทรงกวาประสาจุทุกประการอาตมาพาดาธรรมยุทธนามาในเรื่องขั้าขอยุติปธรมเทศนาลงขอไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังกรมีตระกการาชนนี้